ขอความสุขความเจริญจะมีเดท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องพะชักพระสูตรเปโวสูตรที่ว่าโดยยอดของถงเป็นการกล่าวถึงคุณานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเป็นพระสูตรที่มีลักษณะเกิดขึ้นในอัยาศัยของพระพุทธเจ้า คุปเจ้ามีพระประสงค์จะแสดงเพื่อกระตุน้นจิตสำนึกของพุทธบริษัต์ทั้งหลายให้มีใจิตใจมั่นคงหนักแน่นอยู่ที่คุณของพระร ต, ตระนัดใจคราวนี้เราจะพบว่าพระสูตรที่เรียกว่าสมารประกสูตรที่เราพูดเม่วันก่อน พรเจ้ารับสั่งเตือนพระอานุ์บอกว่าผู้เธอมีความรักความเมตตาความพวงใหญ่ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ใครก็ตามต้งบอกกล่าวชีดแนะเชิญชวนจับชวนในบุคคลเหล่านั้นยึดมั่นในสถานะสามการสถานะสามการนั้นคืออะไรก็คือคุณพระพุทธเจ้าประทรมพระสงฆ์ ในประสูนยนี้ก็มีลักษณะแนวนั้นแต่เป็นการพูดกันคนระดับโดยเราสั่งเล่าถึงตำนานเทพเจ้าก็ เ, าเรียกว่าเทพนิทานเป็นตำนานปรำประลาที่ปรากฏอยู่ในคัมภี์ประเวทของาศาสนาพระเราสั่งเล่าว่าในคราวเทวศูนย์สงครามเมือาการรบระหว่างเทวดากับศูนย์คราวหนึ่ง เทวดาทั้งหลายมีความหวาดกลัวสะดุง้งเมื่อเห็นกองทัพของพวกอสูรยกมาก็พากันวิ่งหนีไปทาสกะเทวราชจึงประชุมพวกเทพทั้งหลายแล้วก็เตือนว่าเวลาเกิดความหวาดความสะดุง้งความกลัวเราเห็นกองทัพของพวกอสูรคือเวทปฏิจจทัศ ก็ให้มองดูทงของประชาบดีเทพหรือมองดูธงของวรรณะเทพหรือมองดูทงของอีสานเทพหรือมองดูทงของพระองค์แล้วจะเกิดเป็นขวัญเป็นกำลังใจหายหวาดสะดุง้งหายกลัวหายอาการขนฟองสยองกราบก็รับสั่งว่าการที่ท้าศกะพูดเช่นนั้นแล้วก็บอกพระเทวดามองยอดธงเช่นนั้น บางครั้งก็หายสะดุ้งได้บางครั้งก็ไม่หายสะดุง้งเพราะอะไรเพราะว่าเอาควจริงแล้วมหาเทพทั้งสี่คือประชาบฎีเทพบรุนเทพอีสานนเทพแล้วก็ทาสกะเทวราชเองก็ยังมีความกลัวคือ ต, ตัวท่านเองนะี่ยังมีความกลัวอยู่อจะป้องกันไม่ให้คนอื่นไม่กลัวก็คงยากแต่เราสั่งสาวลึกไปถึงเหตุที่ให้เกิดความกลัว เพราะพระจอมเทวทั้งสามนั้นยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหัอยู่ยังมีกิเลสอยู่อาจารย์ก็ต้องเกิดความกลัวแล้วก็ย้อนกลับมาที่ภิกษุก็ได้โปรดสังเกตว่าตอนนี้พูกกับภิกษุอย่างพระสูตรบรรก่อนที่พูดถึงมาตุคามมันก็ปรารบเรื่องมาตุคามแต่ว่าเป็นเพียงปลารบเท่านั้น ธรรมะเป็นเรื่องทั่วไปแก่คนทั้งหลายเกิทั้งดีทั้งไม่ดีเขาสั่งว่าพิสูจทั้งหลายจะอยู่ป่าอยู่โคกมากอยู่ถ้าอยู่ายายยตามเขาซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าโดดเดี่ยวเดียวดายอาจจะมีอาการหวาดสะดุง้งอาการขนฟองเสียงกราบมีอาการกลัวเกิดขึ้นถ้าบังเกิดความกลัวขึ้นมาและไม่สามารถจะแก้ความกลัวได้ก็ให้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ตาบทอีทีปิโสนะฮะที่เราสวดเนี่ยถ้ายังระลึกแล้วก็จะหายกวาดกลัวหายอาการขนฟองเสียงก้าวหายสะดุ้งได้แต่แต่ยังไม่หายก็ลึกถึงคุณงพระธรรมโดยระยะสวักคาโต้แต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โด ย, ยระยะสุปฏิปันโนแล้วก็จะหายกลัวหายสะดุง้งหายอาการขนฟองเสียงกร้าว ตอนลึกได้จริงๆแล้วเนี่ยจะหายจริงๆทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระยส์นั้นท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กลัวพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่คนที่สะดุ้งทั้งหลายคือไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกลัวหรือพระหันท่านกลัวเราเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นอาชานา이นะฮะเป็นคนที่ฝึกมาดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเเล้วในที่สุดก็มาสรุปในตอนสุดท้ายของพระสูตร ก็ทํานองเดียวกันตานานเรื่องเทวศูนย์สงครามบางครั้งเราก็พูดในแนวธรรมะธรรมะสงครามในรจชการที่หกนำมาเรียบเรียงเป็นราชนินผลเรื่องธรรมะธรรมะสงครามเรื่องคนข้างจัโบราณนะฮะแต่เป็นตำนานเทพเจ้าเป็นการนำเอาประวัติศาสตร์ของอารยันความชื่อถือของพวกอารยันก็มาสั่งสอน ไปสืบถามต่อไปว่าทําไมเทวดาการศูนจึงรบกันอันนี้อย่าลืมนะฮะตำนานเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ทันบอกว่าอาศูนย์เนี่ยเป็นเทพที่อยู่ในดาวดาดาวันดึงมาก่อนไอดาวบดึงเมื่าก่อนมันชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ต่อมาเอาไปชื่อว่าดาววันดึงคําว่าดาวบดึงก็คือตาวติงสะออกไปจากคําว่าตาวติงสะ แร่ว่ามีเทวดาเกิดขึ้นพร้อมๆกันสามสิบสามองค์ก่อนคนอื่นในที่นั้นนะฮะเกิดขึ้นพร้อมๆกันสามสิบสามองค์แต่ว่าที่จริงแล้วมันก็มีอสูรอยู่ก่อนพวกอสูรก็ดีใจต้อนรับเทวดาที่มาใหม่แต่ทาศะกะกะับบริวานเห็นว่าการเป็นประชาชและปกครองพวกอสูรเนี่ยมันยุ่งมาก จะมีปัญหายะเขาบ่าพวกอาศูนอาศูนตายไม่ใช่อาศูนเมานะฮะเลี้ยงัปจดเมาแล้วก็จับพวกอาศูนย์นิยมลงมาแต่พวกอาศูนย์ก็เป็นอมรอคือไม่ตายนะฮะกินน้ำน้ำชิปมาตำนานเทพเจ้าเรื่องกวนน้ำชิปก็จะเห็นว่าอินเดียนี่เชื่อตรงนี้มากนะฮะภาพยนต์อินเดียถ้าเกี่ยวกับสวรรค์จะต้องพูดเรื่องตรงนี้ ชื่อตัวนี้มากและชื่นชมไปตรงนี้อยู่ปะเทวดาที่ลงไอ้พวกอสูรที่ถูกทิ้งลงมาก็ไม่ตายก็บังเกิดวิมานรองรับเรียกว่าเวปจิติวิมานมีจอมอสูรชื่อเวปจิตวิเวปจิตวิก็ดูแล้วนะทำให้จิตหวั่นไหวนะฮะถ้าแปลชื่อแล้วจิตมันหวั่นไหวก็ ไม่ไม่ไม่พอใจที่ถูกหักหลังนะเลยก็ยกองทัพไปรบกันอยู่เรื่อยๆทีนี้มันก็คล้ายๆกับหลายเรื่องอาจารก็เล่าถึงตำนานความเป็นมาของเทวราชะสกเทวรา ช, ากกราชองค์นี้องค์ยุคสมัยพระพุทธเจ้านะฮะไม่ไม่จะ ไ, ไ, ไ, ไม่่ยุคก่อนยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านเป็นมัคคมนุปมาก่อนแล้วก็ท่านตอนตอนเป็นมัคคะมนุปนั้นก็มีพัญญาสีค่ ค, สสาาสสนนคนคือสุธรมาสุจาดาสุจิตตาสุนันทาแล้วอีกสามคนคือสุธรมาสุจิตาสุนันทาเนี่ร่วมทำความดีด้วยกันเพวันเวลาตาปุณิภะก็บังเกิดเป็นเทพธิดาในสว่วนชะดาวดึงดุลกัน ก็มีตำนานที่เกี่ยวกับชา้างไอราพฤษไอระวันซึ่งเป็นตรากทมอนะฮะกรธรรมอนอทจริงก็คือกรุงเทพนะดาว ja ันดึงเหมือนกันกรุงเทพก็เทวดานครด้วยกรุงเทพเพราะฉะนั้นพอพูดถึงดาวันดึงเกี่ยวกับตำนานนะฮะเราจะเห็นว่ากรุงเทพอยุธยาเนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับเทวดาเนี่ยเทวดาตัวชันดาวันดึง ชื่อชื่อบ้านชื่อเมืองชื่ออะไรชื่อถนนน้นทางชื่อประตูราชวางังก็เป็นประตูสวรรค์ชัน ด, ดาวดึงนั้นน่ะสวนจิตละดานีฮะก็เป็นสวนสวรรค์ชัน ด, ดาวดึงศวนนันทาเนี่ยก็เป็นสวรรค์ชัน ด, ดาวดึงอะไรก็ชื่อชื่อของเราเยอะประตูประตูะตะตที่พระโรามราชวางังเป็นชื่อประตูเมืองของเทวดาก็นางสุชาดานั้น ก็ถือว่าสามีทำแล้วตัวเองคงจะได้ด้วยก็เลยไปได้ทำความเตีอะไรอื่นๆก็เป็นเทพประบร์เป็นเทพธิดากันหมดตัวนางสุชาดาเกิดเป็นนางนกยางทสะกะเขาไปติดตามแนะนำให้รักษาศีลห้าราะษาศีลห้ามันก็ฆ่าสัตว์ไปได้นะสัตว์ไปได้มันก็อดอดอาหารอะไรตายแต่ก็าตายโดยศีลก็บังเกิดเป็นธิดาในช่องหม้อ ท้าวสก่าก็ไปซับสมบัติให้ใช้จ่ายเพื่อไม่ต้องทบาบาปและรักษาศีลห้าเอาไว้ก็ตายอีกก็บังเกิดเป็นธิดาของเวปิติอสูรชื่อสุชาดาสุชาดาก็คือเกิดมาดีแล้วนะฮะเกิดมาดีแล้วเกิดบางงามเกิดมาดีก็ถึงคราวเลือกคู่ท้าวสก่าเทวราก็ปลอมเป็นท้าสกะแก่ปนอยู่ในหมู่พวกอสูรทั้งหลาย องคุชาดาก็เลือกทาสกะด้วยอำ น, นาจของบุเพสนิวาสคือเป็นสามีพัญญา ก, กับเปในการกอดทาสกะก็นำหนีไปตอนนี้เวทปฏิ ก, กรูดมากก็สรุว่าเป็นศัตรูกันด้วยแล้วก็มาขาโมย ล, ลูกสาวไปด้วยก็ทาให้รบกันเรื่อยๆแล้ ว, ว, ว, วตำนานตรงนี้มั น, ม, น, ม, นมีในพระสูตรในสังยุตตนิกา ย, ยมีสิบกว่าสูตรต่อกันเลย แสดงถึงการรบการต่อสู้กันของทศกะเทวราช ก, รรกับเวปิจติอสูรแต่มนสะท้อนอะไรนะฮะถ้าเรามองในแง่ในแง่ของประวัติศาสตร์เมื่อเช้านี้ไปบ้านโยมจงเขาส่งปินโตมาต่อไม่เคยไปที่บ้านเขามาก็อายุเขาแปดิสี่ปีเดินตัวปลิวเลย นโดยปรีวพระกวิจัยาโอ้นี่นี่มิกตก็ว่านามวิสาขายร้อยู่ส2บปีนี่คงจริงเพราะว่าคนแก่แปดสิบสี่ปีนี่เดินปับป๊บๆๆ๊ปเลยขึ้นโรงแรมตระก้าชั้นเดินเฉยเลยโอโ้น่าดูแปดสิบสนะี่นะแสี่ก็ก็ทำให้มานึกถึงคำว่าอารอร้อยี่สิบปี เ่ามาอายุรอย่สิบปีนี่จริงแต่ไม่ได้หมายความมารอยยี่สิบปีในสมัยของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าพระตักระถาจารย์ท่านเล่าลืมไปเรอจะลืมมาตอนนางวิสาขาท่านหมอกฟังเทศกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วบรรลุผลเป็นพระโสรบันเนี่ยตอนนั้นท่านอายุเพียงเจดเจ็ดปีแต่นั้นเองแล้วพระเจ้าดำรงพระชนอยู่แค่สี่สิบห้าปีแต่นั้น เพราะงั้นนางวิสาขาตอนพระเจ้าปรนนิพานดั้นอายุก็เราสักสามสี่กว่ากว่าแต่นั้นเองนะอายุเราสักสามสี่กว่ากว่าไม่ใช่อายุร้อยี่สบปีหรอกมารอยยี่สีก็หลังนิพานไปแล้วเยอะอันนี่คือคือปัญหาในแง่ของประวัติศาสตร์ว่าปัญหาข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องมองด้วยว่าการเวลาเนี่ย ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ายัางนำมงคลประชนอยู่แต่นางวิสาขาอายุร้อยยี่สิบปีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าปีมันก็คือปีนะฮะไม่ใช่ปีของพระพุทธเจ้าชาปีนางวิสาขาเดวปีก็คือปี แ, แสดงนางวิสาขาช่วงนั้นจริ ง, งๆเอายุประวันสามสิบกว่ากว่าเท่านั้นแม้แต่จะบรรลุมรควุในปีที่พระพุทธเจ้าศัสรุอายุท่านก็คงสามสิบกว่าอยู่เหมือนเดิมก็ ในแง่ประวัติศาสตร์เราจึงเห็นตรงนี้นะฮะถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์เว่าการรบการศึกสงครามยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยแล้วก็ยุคพระพุทธเจ้าที่สี่สิบห้าปีเนี่ยที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการศึกสงครามเนี่ยจะเป็นเป็นการรบที่ดีมากๆากนะฮะมันไม่มีการทําลายล้างกันอย่างรุนแรงอย่างยุคก่อน ยุก่อนนั้นยุ ก, ก่อนยุครามายณะยุยุครามเกียนเนี่ยนะฮะที่เป็นการรบระหว่างทศกัณกับพระรามก็คือเป็นการรบระหว่างพวกอารยันกับพวกมิละขะหรือทัศยุกับพวกแขกนะฮะพวกแขกกับพวกพวกพวกแขกขาวกับแขกดำพวกง่ายพวกรบพวกแขกขาวแขวกดำมาพาราตยุทธนั้นเป็นการรบระหว่างพวกแขกขาวด้วยกันหรือพวกอารยันด้วยกันคนตายเยอะก็คือ แม้แต่ในหมู่ญางวงศากันญาติเองก็รบกันเองฆ่ากันเองแต่มาถึงพระพุทธเจ้านี่ไม่มีนะฮะการฆ่าอย่างนั้นอย่างลักษณะนั้นไม่น้อย่างพระเจ้าประเส้นิโคสุนรกับพระเจ้าชาติศัตรูก็จับตัวตนเองมุ่งจับตัวแล้วไปนั่งเทศอบรมสั่งสอนนุ่งเอาไปอบรมสั่งสอนเอาคู่สึกไปอบรมสั่งสอนแล้วเสร็จแล้วก็มอบแผ่นดินให้นะฮะมอบราชธิดาให้ ไม่ไม่ได้นันอะไรคือคือคือไม่ได้มุ่งฆ่ามุ่งทำลายอะไรกันเพราะการการต่อสู้ของทาสกะเทวรากับเวเบชิติอสูรถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันมันมีพัฒนาการกทางจิตเยอะอรบกันในลักษณะที่ไม่ทำลายล้างกัน ให้รุนแรงจนถึงก็รบเอาหัวหน้ามารบด้วยกันสองคนแม่ทัพสองฝ่ายกษัตริย์ ส, สององมารบกันแล้วก็ใครแพ้ก็คือแพ้แล้วจบแล้วแล้วไม่ใช่เอาฆ่ากันตายนะฮะหมายความมาเอาชนะกันคล้ายๆอะไรคล้ก็ต่อยมวยอะไรตรง น, นั้นแล้วก็ถือถือคนละฝ่ายใครชนะก็ชนะใครแพ้ก็แพ้แพ้ด้วยกัน จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาเอาตัวกษัตริย์เนี่ยทศาก arga เวบีจิติอสูรเนี่ยถึงจุดหนึ่งท่านมาถกปราญากันเช่นเเช่นสมมุติว่าคนพาลเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องคนพาลยังไงเวบีจิตริอสูกรก็อธิบายว่าถ้าคนพาลเนี่ยต้องเอาให้หนักเลยมันด่ามาต้องด่าให้หนักมันตีมาต้องตีให้ตายเลยไม่งั้นมันกำเริบทศาก a ก g a ก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นไม่ได้ เขาด่าก็เป็นเรื่องความชั่วร้ายของเขาเราไม่จะเป็นจะต้องด่าเขาและทำยังไงจะสร้างความเป็นมิตรเขาดึงเขาให้เป็นบัณฑิตเช่นเดียวกับเราคือคือไม่ยอมทาบาตรร่วมกับเขาใ น, นเป็นการต่อสู้กันแบบสุภาษิตก็เรียกว่าสุพัตสุภาษิตะชยัสสูตรคือไปสูตรที่เอาชนะกันโดยคำนั่งถกประยักษ์กัน แล้วจนถึงก็เอาคุณธรรมของกษัตริย์สองฝ่ายมาเทียบเคียงกันว่าใครมีคุณธรรมสูงกว่าว่าคุณธรรมต่ำกว่าก็ต้องยอมแพ้ก้าวหน้าไม่นจะเล่นเนี่ยนะฮะมนุษ ย, ษยชาติเราเคยก้าวหน้ามาไม่ใช่เล่นเล่นแต่เรารักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ไม่ได้นานหรอกมนุษย์รักษาไม่ได้นานสิ่งที่ดีๆทั้งหลายรักษาไม่ได้นานเพราะอะไรเพราะว่ามันเกินมาตรฐานคน มันเกินมาตรฐานของคนไปคนเราก็อยู่ในพวกการมหัจรภูมินะฮะจะมีแรงผลักดันของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีการกระตุ้นมีการเร่งร้าวมันด้วยในตรงนี้เป็นการแสดงคำสอนในแนวของขวัญกําลังใจเฉพาะสูตรนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นการแสดงในแนวขวัญกําลังใจ คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วมันคล้ายๆกับต้นไม้ที่พระเจ้าทรงอุปมาคําสอนในพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งมาความมันต้องมีทุกอย่างต้องมีทุกอย่างในความเป็นต้นไม้ถ้ามันขาดไปสักอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกต้นไม้เนี่ยเปลือกไม่จําเป็นนะเอาเปลือกออกให้หมดต้นไม้ก็ตายอยู่ไม่ได้เพราะฉะความเป็นชีวิตความเป็นศาสนาความเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องมีครบ แต่อย่าลืมว่าคนที่ฆ่าไปในป่าไม่ใช่ว่าต้องการจะเอาแกะไปสะเสมอไปบางทีไปเก็บยอดมาจิ้มน้ำพริกเฉยๆนะบางทีก็เก็บเอาเปลือกมาทาํายาเอาดอกมานะเอาใบมาเอาผลมาเอากิ่งมาอะไรแค่น้อยนะฮก็นานๆ น, นะจะไปเอาต้นมันตอนจริงๆความเป็นต้นไม้มันก็มีประโยชน์ทุกระดับ ตามตอบสนองความต้องการของคนท ร, รมาปฏิบัติแน่นอนว่าเรามุ่งไปที่นิพพานแต่ว่าไอ้นิพพานนี่ยู่มันกไปไกลๆนะคนจะไปได้น้อยมากจึงเป็นคําสอนระดับหนึ่งที่เราเรียกวอกฝันกำลังใจเนี่ยคือมนุษย์เราปรัญหาเรื่องฝันกำลังใจนั้นเป็นปนัญหาใหญ่ ถ้าเขามีขวัญมีกำลับบงใจแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันจะเกิดขึ้นมาจากการสร้างขวัญสร้างกำลับบงใจแนวตรงนี้ก็คืออะไรว่าคือรู้สึกไม่โดดเดี่ยวสร้างความรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีจอมเทพอยู่พวกเทวดาทั้งหลายก็คิดในแง่เ่ามีจอมเทพอยู่ถ้าเกิดปัญหาอะไรจอมเทพเหล่านี้ก็จะช่วยเหลือได้ ก็ทำให้ส ง, งบความโดดเดี่ยวความรู้สึกโดดเดี่ยวความว้าเหวความหวาดกลัวหรือว่าขนพองเสียงกล้าวทั้งหลายในการนับถือพุทธศาสนาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าคุณานุภาพของพระรัตนตรัยบางระดับเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของฝันกบลังใจ ไม่ใช่ระดับที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะแต่ว่ามันเกิดขวัญกำลังใจเกิดความเชื่อมัน่นเกิดความศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ซึ่งเราลองสังเกตว่าแนวเขาหมายานเนี่ยจะเน้นแนวนี้มากอย่างที่เบตที่สวดกันจังเลยไหว้พระซึ่งเงยโชคท่วมตัวเลยไหว้ทุกวันนะ แต่เราอย่าลืมว่าการกระทำอย่างนั้นของทิเบตมันช่วยในด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตๆิตมันสงบกายมีการบริหารเมืองมันหนาวถ้าไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเราจะอยู่ลาบากเพราะการไหว้พระแบบอัศดางกับประดิษฐ์ของทิเบตมันยืนขึ้นนะฮะยืนขึ้นยกมือขึ้น เหนือศีรษะแล้วค่อยๆคล้อมตัวลงนะฮะกดอยู่พื้นแปจังหวะด้วยกันนะฮะแจังหวะเขเราเป็นจังกรบประดิษฐ์ของเขาอัศดางกรบประดิษฐ์นะฮะ อ, อัศดางกรบประดิษฐ์คือยืนไหว่สังลารอาจจะเคยเห็นที่ที่ภาพพยนต์ทีไรว่มาเคยไปยืนดูก็ที่พุทธขยาโอไหว้ y, ดูเดือดมากเลยเงือกโชคหมดนั่นคือระดับขันกำลับบงใจ แล้วคนก็จะมีบทอิติปิโสพระกวาเนี่ยจะรึกไว้แล้วก็เดินแขวงเดินแขวงบางทีก็ระ ล, ลึกถึงพุทธคุณโดยใช้นับรูปคัมเราเห็นว่าพวกมองเกาหลีพวกทิเบตพวกเกาหลีพวกจีนพวกญี่ปุ่นเนี่ยฮนะจะมีพวกนี้เยอะเป็นแนวขวันกำลังใจพวกว่ายวายกลับกลาบ่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะพวกว่ายวายกลับกลาบเนี่ยสำคัญนะฮนะก็ดูแลเขาห่วงใหยก็รักษาศาสนา อย่าพุทธบนทนเรานี่เห็นในชัดเลยว่าอยู่ได้โดยวพวกไหว้วหว้กลับกลับอ่ะกลับกับไหว้ไหว่อย่างเงี้ยไปเอาสตางไปใส่กล่องไปใส่ไปใส่อะไรที่ที่ที่เนี่ยตัวเนี้ยไปไหว้ไหว้กลับกับไปสนานไม้จิ้วจังจังจังจงเนี้ยแต่แก่มีขวัญเป็นกำลังใจรู้สึกว่าส ง, งบแล้วได้ไหว้พระได้อธิษฐานได้ไหว้ได้กราบสบายแล้วขวัญก็คุ้งอยู่ตลอดระยะเวลานั่นคือ ออกมาในรูปที่เป็นประโยชน์ในระดับขวัญกำลังใจเป็นสําคัญยิ่งคือใจก็สุบอยู่กับบทพระพุทธคุณเหล่านั้นและทีนี้มันก็มาในแนวที่เราเรียกว่าพุนานุภาพพวลานุภาพมันเป็นพลังของจิตที่ตัดกระแสะความคิดเรื่องอื่นมาอยู่กับบทของพระพุทธคุณเราก็มั่นมั่นใจอยู่ในพระพุทธคุณ เป็ น, ปนมีการหวาดกลัวกลัวผีกลัวอะไรต่ออะไรต่างๆที่ในป่าในเขาเยอยู่ตามป่าตามเขาเราก็ระลึกถึงระลึกถึงคุณพระทันต์ใจมันก็กลายเป็นเป็นอนุภาพเป็นอนุภาพที่ที่คนเหล่านั้นเขาสัมผัสได้เมื่อเช้าก็ไปไปท่วาเนี่ยก็มีการเข้าส่งในการเข้าส่งสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทีนี้ก่อนก่อนที่จะมาจะออกไปจากวัดมันก็นึกถึงถึงกวนอิมขึ้นมาว่าทาไมกวนอิมมาแรงวิถีกวนอิมมาแรงไม่เป็นตัวยแต่เราก็ก็ก็มองว่าระดับขวัญกำลังใจเนี่ยเขาต้องมีอนะเขาคงเจอเขาคงสัมผัสผลที่เป็นขวัญเป็นกำลังใจก็คงไม่ใช่ทุกคนนะคล้ายๆกับบอกหวยนั่นแหละแคล้ายกับคนบอกหวยนานๆเจอคนบางคนนั้นเขาก็นับถือหัวปักว่าปําไปเลย ซึ่งบางทีมัน <S <S <an> <S อาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมเชื่อมว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งนั้นในอะไรแน ว, แนวแคล้ายๆกับสมัยที่ดาวหางฮันเล่มันมาโคจรใกล้โลกเมื่อสิบกว่า ป, ปีที่แล้วนะก็คนไทยเรามีความรู้สึกว่าถ้าดาวหางฮันเล่มากใกล้โลกแล้วมันจะเกิดปัญหาต่างต่สารพัดขึ้นมาเพราะในช่วงนั้นเนี่ยปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามคนจะมีความรู้สึกว่านี้เพราะอิทธิพลดาวหางฮันเล่ โดยเขาลืมว่าที่จริงก่อนหน้านั้นเราหางกันเรยอยู่ไกลมันก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยโลกอะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่าตามใจที่ใจเขาเชื่อมไว้เนี่ยใจก็ผูกไว้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ก็ไม่มีความอลักษณะของอุปท า, านนะนะลักษณะใจที่มันยึดมั่นหรือมัน่นมันก็สร้างความรู้สึกที่เป็นขวัญเป็นกำลังใจขึ้นมาได้หรือว่าเสียขวัญเสียกำลังใจได้ ลักษณะเหล่านี้ที่เราเห็นได้ชัดว่าหนึ่งคือเป็นอนุภาคจากภายนอกคือพระรัชนาอะไจริงๆที่คุ้มครองรักษาให้จริงๆอีกแนวหนึ่งก็เป็นเรื่องของพลังภายในที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยพลังศรัทธาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เขาเล่าถึงถึงถึงทหาร ท, ที่รบกับญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรบกับญี่ปุ่นรบกันไปรบกันมา เดีเกิดกระหายน้ําก็ก้มลงดื่มน้ําอมพระอยู่นะก็มดื่มน้ําพระหล่นหล่นก็มืดๆนะฮะตะครุบตะครุปก็สวนงอก็ติดมาในมือก็ใส่ปากต่อรบต่อนะพระข้างในก็ดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่นื้ว่าพระขึ้นพระปลูกก็เกิดฝันกำลังใจฮึกเหิมใหญ่เออข้าญี่ปุ่นตายเยอะพอเสร็จแล้วพอพัครบก็ เห็นพระอย่างดินอยู่พออ้าปากมาดูปรากฏเป็นลูกเขียดนี่เห็นไหมคือขวัญกำลังใจความคิดเขาไม่ได้คิดว่าเป็นลูกเขียดแต่ก็คิดว่าเป็นพระเครื่องเป็นพระท่านปลูกท่านขึ้นท่านช่วยนั่นคือลักษณะของพลังความคิดซึ่งซึ่ ง, งเคยมีคําถามได้ก็ถามว่าทําไมทําไมผีไทยจึงไม่กลัวไม่กังเขตด ทำไม่ผีไทยจะกลัวใบหนาเราจะเห็นลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าอุปท า, านอุปท า, านที่สะสมมาไว้พวกคริสเนี่ยก็กลัวไม้กางเขตมันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเคารพน้ําถือไม้กางเขตคนไทยนั้นเคารพน้ับถือพระเคารพน้ับถือสิออ่งที่เราเคารพนับถือนะะมันก็อยู่ภายในใจเราเพราะเราตายไปแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ภายในใจ มีความรู้สึกเคารพนับถืออย่างเกรงในสิ่งที่ที่เราไปผูกพันไว้นะฮะโดยความรู้สึกก็แล้วแต่ใครครับเพราะนั้นสิ่งสิ่งเหล่านี้จึงให้ขวัญกำลังใจของคนได้แตกต่างกันอย่างที่เคยเล่านะฮะว่านายพลานสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถือว่าถ้าออกล่าสัตว์แล้วเจอพระนี่สวยมากๆเลย เป็นอัปมงคลแรงมากบางทีมันฆ่าพระก็มีถือว่าพระมาให้เห็นมาเดินนี่เขาเห็นเนี่ยทําให้เขาหาสัตว์ไม่ได้ในขณะที่ที่ว่าคนดีมันมองว่าสัมมนานันจะดัชน้างการเพราะเห็นสมณะเป็นมงคลตรงนี้จึงมีลักษณะของความเชื่อที่เราเห็นได้ชัดว่าเป็นความเชื่อมัน่นแล้วก็ยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราเชื่อเราอย่างนั้นจริงๆ แล้วมันก็เกิดเป็นพลังขึ้นมาจากภายในด้วยนะฮะจากภายนอกด้วยทีนี้คุณานุภาพของวัตนรตรายที่จะสามารถขจัดความหวาดกลัวความสะดุ้งได้เนี่ยก็ค ง, งไม่ใช่ทาประเดี๋ยวประดาเพราะอะไรเพราะคนเราเวลาตกใจบางทีว่านโมถามโจทยังไม่ถูกเลยว่าณโมยังไม่ถูกเลยเห็นไหมเราก็ต้องสะสม จะต้องสะสมอยู่ภายในใจเราที่สามารถจะนึกขึ้นมาแล้วก็สาธยายได้ภาวานาได้ในทันทีทั น, ดด น, นใดดนแนวเหล่านี้เราจึงปลูกฝังลักษณะที่ท่านสอนในแนวของการปลูกฝังเยนได้เคยเล่าเรื่องกรณียาเมตตาสูตรตรงนี้ ต, งตรงๆเลยนะฮะตรงนี้ ต, งตรงๆเลยว่าประอาศัยการสาธยายธรรมะ เล่าถึงภิกษุกลุ่มหนึ่งไปเจริญกรรมฐ า, านอยู่ในป่าถูกพวกอมนุษย์เบียดเบียนนะฮะพวกอมนุษย์เบียดเบียนแล้วก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ถูกหลอกทุกคืนเลยถูกผีหลอกทุกคืนหมอกฟาพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งไว้กลับไปอยู่ที่นั้นอีกภิกษุก็ไม่กล้าไปพระเจ้าบอกว่าเธอไปคราวก่อนไม่มีอาวุธไปตอนนี้จะให้อาวุธไป อาวุที่จริงไม่มีอะไรก็คือคือธรรมะนะไปสาธยายแนวสาธยายนะแนวสาธยายไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวปฏิบตัติแนวสาธยายคือทาใจสงบอยู่ในบทสวดบทสวดธรรมะเหล่านั้นที่พระสงฆ์นำมาใช้สวดในพิธีมงคลหลายเรล่อเนี้นะฮะใชสวดในพิธีมงคลทั้งหลายเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นขวัญเป็นกาลังใจ ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเทวดาก็ได้ไม่ติดจิตจิตมันอ่อนโยนนะฮะจิตมันงก็ได้ไม่ติดจิตเออจนพระก็อยู่ในที่นั้นได้สบายเทวดาก็ไม่เบียดเบียนผู้มนุษย์ก็ไม่ไม่เบียดเบียนเจริญธรรมกรรมฐานบรรลุมรรคผลไปได้นานมาแล้วที่มาเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของตมาเองนะฮะแล้วจนทุกวันนยังงงอยู่นะ สามสิบกวปียังงงอยู่เลยมันมาได้ยังไงอะยังนึกไม่ออกอธิบายไม่ได้ว่ามันมาจากอะไรตอนนี้มามีลูกสองคนเนี่ยนะะอายุบพงสีนะ่สิบกว่าเลยมั้งลูกเขาให้เด็กเขาให้ตอนบวชใหม่ๆตอนนั้นบวชใหม่ๆแต่ด้วยแต่พรรษามันไม่บวชไปถึงสามเดือนไ ม, ไม่ไม่ถึงสองเดือนนะฮะไม่ถึงสองเดือนบวชตอนนั้นอายุเพิ่งยี่สิบเ็ด บวชได้ไม่ถึงสองเดือนล้วก็รู้อะไรยังไม่มากหรอกท่องได้ไม่กี่อันอะท่องได้ไม่กี่ข้อเราเพิ่งบวชนี่เด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวทุกวันนบ้านมันอยู่แถวอะไรแถวประเวศเนี่ยอะไรล่ะป่วยจนเรียกว่าหมอไม่รับรองพี่สาวคนหนึ่งเห็นไม่มีหัวพี่สาวคนหนึ่งเห็นเป็นหมาหญ้าไม่ใช่ ยายฮะยายกับพ่อมันเอามาวางไว้ที่นอกชานไว้ใจขแมวขแมว แ, แล้วเป็นโรคคือด้วยฮะเด็กมันสักสี่ห้าขวบอะไร้ริ่มมาามาชันเพงเสร็จไม่ม่มันนึกอะไรจนจนทุกวันยา ง, ย, างย่างนึกไม่ออกไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาคมจีวอนคลุมเดินดุยไปเลยไปพุ่งตรงไปบ้านนั้นแน่ ไปถึงโยงก็นั่งอยู่สองคนก็ดีใจนะเห็นพระมาอันนี้บนขึ้นไปแล้วเขก็กลา่าถึงฟบอกว่านี่ฉันให้ให้เป็นลูกท่านแล้วกันเราก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะฮะแล้วก็นึนวว ก, วนกว่านี่อิติปิโสสวัสดโตนโมอะไรก็ว่าอนะไรก็ว่าไปเรื่อยนะว่าไปเรื่อยแล้วอธิษฐานแล้วตั้งใจขออันนี้เป็นลูกเราแล้วเราขอ อย่าเอาไปนะฮะใครต้องการต้องการจะเอาไปก็ขอไว้ให้เด็กได้ทําความดีต่อไปทําพิธีเสร็จแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะฮะเราเราก็ทําสายได้แล้วก็ให้พ่อเขาช่วยปลูกมือให้อามาก็จับมือพ่อเอาไว้ให้พ่อเขาปลูกก็ถือว่าเป็นลูกเป็นลูกพระแล้วก็ทําเสร็จประมาณสักสักบ่ายโมงพอเที่ยงคืนเขาเล่าทีหลังนะมาก็ไม่กล้าไปหล้วก็เล่าทีหลัง เขบอกว่าพอเชื่องคื น, นเด็กเด็กเรียกขอน้ําตอนเช้าขึ้นมาเด็กก็ขอข้าวต้มนะฮะสามวันหายแล้วตอนหายมันก็หายหายโรคขื่อด้วยนะโรคือซึงก็ติดวันตั้งไม่เกิดวันหายด้วยทุกวันก็เรียกก็เรียกพ่ออเลยนะฮะเรียกพ่ อ, อมีลูกสองคนแล้วก็คนหนึ่งไอ้ น, นั่นรอ้องไอ้ น, นั่นร้องก็เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมจ่มาอุ้มไอ้ น, นั่นผู้ชาย ตุกวังก็อยู่ที่ที่สงขาเป็นทหารเรือแล้วก็ไปอยู่ที่สูกขามันหายได้ไอเ น, นี้ยคือแบบอนุภาตจริงๆเลยอนุภาคของประการตรายจริงๆเราก็สวดเนี้ยอิติปิสโสนะโมสวัสดิ์โตอะระหังว่าเรื่อย น, นึกอะไรก็ว่าแต่อย่าลืมว่าบวชบวชราสักสองเดือนแต่นั่นเองนะเราก็รู้อะไรไม่มากแล้วเราก็ทำเท่านั้นเนี่ยแต่ทำไมมันหายทำไมมันหายได้นั่นคือลักษณะของแบบ ขัญแบบกบังใจแบบพุท ธ, ธานุภาพหรืออย่างที่เคยเล่าถึงเรื่องของอายุวัฒนะกุมารนะฮะเด็กคนนี้พอเกิดมาถึงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ให้ศีให้พอแต่ไม่มีคําว่าอายุยืนไม่มีใครพูดคําว่าอายุยืนก็าถามว่าทำไมไม่ให้พอในะลูกพออายุยืนเขาบอกว่าเด็กนี้อายุไม่ยืนเจ็ดวันก็ตาย ถ้าไม่เชื่อให้ไปเอาไปคว้าพระพุทธเจ้าแล้วขอพรเดี๋ยวพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าให้มีความสุขเหมือนกันแต่ไม่บอกอายุจุดแล้วเขสอบถามพระเจ้าบอกเด็กนี้อายุจะไม่เกินเจ็ดวันได้ตายแต่ถามว่าป้องกันได้ไหมพระเจ้าบอกได้ป้องกันได้ก็รับสั่งเอาเด็กวางตรงกลางพระนั่งล้อมวงสวดสวดเหมือนกระเสกนะสวดนะตอนนี้คล้ายกเกเสกเด็ก แค่แค่กระกเด็กก็าเด็กมันก็ฟังไปรู้เรื่องอะไรแต่พระก็นั่งล้อมวงแล้วก็สวดสาทยายไปสวดพอครบเจ็ดวันมาเลยเจ็ดวันแล้วก็หายเด็กคนนี้ชื่ออายุวัฒนะกุ ม, มารอายุวัฒนะก็อายุยืนอายุเจริญนะฮะอายุถึงร2อยี่สิบปีเป็นอุบาสกที่สำคัญในยุคหลังๆของพระพุทธศาสนาที่คาถาบทนี้ ที่พระเจ้าทรงประรลอายุวัฒนกุมารที่เรามาใช้เป็นเนี่ยอายุวนโนสุขังพลังที่เราสวดนะพิวาตนาศีลิษะนิจังบุธาปัญญโนจตารธมาวันติอายุวนโนสุขังพลังนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประรลเด็กคนเนี้ยอายุวัฒนะกุมารเนี่ยเพราะแนวแนวลักษณะนี้จึงมีแล้วก็ทําให้พื้นฐานของสังคมระดับ กราบๆไหวๆระดับส่วนๆมนต์อ้อนมนนิดๆนะฮะขออนุภาพน้อยๆเนี่ยเขาสัมผัสผลเหล่านั้นเขาสัมผัสผลเหล่านั้นเขาก็รู้ด้วยตัวของเขาเป็นเป็นสันทิติโกคือเขาเห็นด้วยตัวเขาเองนะฮะ เ, เห็นด้วยตัวเขาเองเหมือนกันเพราะงั้นตรงนี้จึงเป็นประสบการณ์ตรงแต่ว่าพื้นฐานสำคัญจริงๆคืออยู่ที่ความเชื่อมัน่นเราต้องเชื่อมั่นจริงๆเลยในคุณพระรัตนตาอย่าแกว่งนะฮะถ้าแกล้งแล้วก็ช่วยไม่ได้ ต้องไม่แกว้งต้องเชื่อมั่นจริงๆมันไม่ใช่พอเห็นเขาคนอื่นเขาได้แล้วเราจะทําเราจะท่องเอาเรายเสวด์เอาอย่างที่เคยเล่าในเรื่องคนที่เอาไม้ไผ่ไปปักไว้ในคลองที่ต้องการดักเด็กเกว่านโมนะคือเด็กในแก่แกเชื่อมั่นในนโมแต่บุคคนนั้นเขาไม่เชื่อมั่นเพราะนัอนระกระโดดไปก็ถึงก็ตายเรียบร้อย วันศรัทธาคือความเชื่อมั่นในในพระพุทธคุณในรูในรูปของสาธยายนะในรูปของสายายในรูปของสวดแล้วท่านท่านท่านลองสังเกตต่ตอไปถึงถึงอีกจุดหนึ่งว่าถ้าเราสวดเรื่อยๆในะสวดบ่อยๆหมุนๆกันนี่นะมุนทำไ ม, มโบราณที่เขาทำเป็นสวดอิติปิโสถอยหลังอิติปิโสแปดทิศอิติปิโสอะไรต่ออะไรเนี่ย พวกคาถาเว้บบนมนต์คาถาทั้งหลายเนี่ยจะมาอีกทีพโิโซแต่กระเห็นว่าเราสับหัวสับหางสับอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะนะแม้แต่คําว่าโอมโอมในศาสน า, าพราหมณ์นะฮะโอมก็มาจากอะอุมะอะอุมะนี่เรียกว่าเป็นโอมพืดอุเป็นโอนะฮะพืดูเป็นโอเป็นเป็นการพฤืดภาษาอะก็คืออารหัง อก็คืออุดมมาธรรมมะก็คือหมหาสงย์เจดังมาก็เป็นโอมออกเสียงเป็นโอมขึ้นเสียงย า, ยาวๆนะฮะก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่รวมเวลาดจะกล่าวขาถงคะถาอะไรแต่อะไจะขึ้นโอมนะฮะจะขึ้นโอมโอมอะไรอพิธีบวงสรวงรุดสดีสังเวยอะไรก็ตามจะขึ้นโอมโอมก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ผมก็คือร พ, ร ะ, ร, ะออ ร, ะพระพุทธธรรมประสงค์นโมก็คือพระพุทธวคุณนะทีนี้อีกระดับหนึ่งนั้นก็เป็นการนำมาน้อมลำลึกถึงคือทําใจสงบอยู่ที่บทพระพุทธคุณพราพุทธังค์ข้าไดข้อหนึ่งนะฮะในแนวสาตยายมันสงบอีกระดับหนึ่งแต่ว่าสาตยายนี s จะมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งคือเราละว่าคนเดียว เอาคกเดีว่วานานะะกลับไปกลับมาว่าไปแนวที่สองนั้นเป็นแนวว่าพร้อมๆกันว่าพร้อมกันแล้วถ้าว่าได้ดีนะฮะว่าได้พร้อมๆกันไม่หลงไม่ลืมไม่ไม่ไม่สะดุดแล้วเนี่ยมันจะช่วยกันคุมหมายความว่าเสียงที่เข้าหูเนี่ยมันจะทําให้ดึงจิตเอาไว้กับเสียงใจเราก็ไปคิดตึงบทสวดแล้วในสุดมันผสมกลมกลืนกันระหว่าง ป, ประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยทั้งตาทั้งหูทั้งใจทั้งปากเนี่ยจะทำงานประสานสัมผั์กันทำให้เกิดเป็นพลังทางสมาธิคือความสงบขึ้นภายในใจเราก็ได้สมาธิระดับนี่ตีระดับหนึ่งนั้นเป็นการแบบภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆเนี่ยนะฮะ หมายความว่าระดับนี้มันก็เพิ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นระดับสมาธิที่ขจัดภายในก่อนเพราะว่าความหวาดส้นดุ้งนั้นท่านหลายลองสังเกตรจริงๆมันสืบเนื่องมาจากกิเลสคนเราถ้ายิ่งไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยไม่ไป็กลัวอะไรอ่ะเราลองนึกภาพตอนที่พระพุทธเจ้าถูกพระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคีรีให้ไล่แทงอันนะฮะมันมีพระกลุ่มหนึ่งวิ่งหนีเลย แต่พระยาบุคคลท่านก็ไม่ในบวิ่งหนีพระเจ้าประทับยืนเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้สนพระไทยอะไรเลยกับสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอิกิเลตเป็นเหตุให้หวาดสะดุ้งเนี่ยมันไม่มีคนเราที่ที่ ท, ที่มีความกลัวเช่นมากลัวตายเนี่ยคือความรักความมัไัยห่วงใหญ่ชีวิตห่วงใหญ่ทรัพย์สินห่วงใหญ่วงศากนิยมห่วงใยญอย่างนั้นอย่า ง, งนี้ แต่ถ้าเราไม่่วงใยอะไรมันมันก็ป ร, งปรงุงโตก็ไม่เห็นมีอะไรก็ตายก็ตายนะไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ตายมพรุ่งนี้ไม่ตายวันรนี้ก็ตายก็ตายวันอะไรก็ช่างหัวมันก็ตายมันก็ตายมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าป ร, งปรง่งโตกแล้วถ้าเราคิดได้เลยขึ้นไปกว่า น, นั้นก็จะเห็นได้ว่าบาปบุญ น, นั้นเป็นสิ่งที่นําเรามาแล้วก็นำเราไปแล้วก็นําเราอยู่นะฮะช่วยเราอยู่แล้วก็นำเราไป ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นกับบาปบาปุลที่เราทําเองอจิตใจมันจะดิ้นรนควงไถ่ที่จะทําบุญเซึ่งเป็นการนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีงามในสู่ภพชาติที่ดีงามความคิดมันก็ประนีตขึ้นนะฮะใช้การเวลาใช้ความคิดการกระทําของเราให้อยู่ในกรอบที่จะเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนขึ้นนะไม่ใช่ถาวรเนาะที่จริงก็ยั่งยืนขึ้น แนวตรงนี้เป็นแนวระดับของกรรมฐานนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะกายเยสิตขึ้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะกายเยสิ์ขึ้นหมายความว่อันตรายต่างๆเนี่ยถ้าเราเกิดพลังตรงนี้ขึ้นมาจริงๆอันตรายอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้สามารถที่จะคุ้มครองรักษาตัวเองอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเทวดาเองก็คุ้มครองรักษาอมนุษย์ก็ ก็เป็นเป็นนิรักของอมนุษย์เป็ น, นนิรักของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยตัวแสดงอันตราย จ, จากภายนอกมันก็ลดลงไปเพราะเพราะเพรา ะ, เพราะเราไม่มีอะไรที่ที่เขาจะมาทาเราและที่สาคัญยิ่งคือใจเราสุบอันนี้ก็เป็นอนุภาพอีกระดับหนึ่งซึ่งก็ยากขึ้นเนี่ยนะทาําำได้ยากขึ้นอีกระดับหนึ่งนั้นเป็นการเพิ่มภูมใน ในด้านเขาเรียกว่าปัญญาศรัทธาปัสสาทะคือความเชื่อความเลื่อมใสความผ่องใสไปจิตแล้วก็เพิ่มปัญญาขึ้นโดยการนำเอาบทพระพุทธคุณเนี่ยมาคิดมาพินิจพิจารณามาถาธิบายคิดนะฮะคิดหาความเข้าใจตำน ย, ยะของพุทธคุณต่างๆเวลา น, นี้อนุสาสนาจารย์กองอนุสาสนาจารย์เวลาเขาสอบโปอนุสาสนาจารย์ สอบข้าวเนี่ยเขาจะให้ท่องอีติพิโสนะฮะท่องอีติพิโสดูว่าได้ไหมฮท่องแล้วให้เขียนดูให้เขียนดูเขียนได้เป่ะพอเขียนเสร็จแล้วให้แปลดูแปลได้ไหมฮพอแปลเสร็จแล้วให้อธิบายดูอธิบายดูว่าความหมายของแต่ละคำเนี่ยหมายความว่าอย่งไงส่วเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะเป็นเรื่องใหญ่โตโมรหลาย พราพระกุตตคุณแตะบทที่ถ้าถ้าเราจะอธิบายแล้วนี่มันมันมันเรื่องมันเยอะลเลยเกินยังเยอะลเลยเกิดที่สมัยที่มาบญญารรยายทำมาบรรยายที่ยานเกราะเจ็ดเก้าสองเนี่ยคําเดียวนะฮะคำคำกรุณาหมานโนคาเดียวนี่พูดอยู่ตั้งตั้งสิบเอ็ดเดือนนะฮะพูดวันละสิบห้านาทีสิบ้านาทีาทพูดสิบเอ็ดเดือนยังไม่จบอ่ะเลยก็เปลี่ยนเรื่องเลยกะเพราะอะไรเพราะว่า มันเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็จะท้อนออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นนามธรรมาเป็นพฤติกรรมเป็นผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากคุณธรรมเหล่านั้ น, านการการนําออกประพฤติคุณมาคิดกราทำมาคุณมาคิดนะฮะเราสา่งมาคุณมาคิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจแล้วก็เกิดสัทธาเลื่อมใส เกิดความภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาที่ประเสริฐอย่างนี้ที่ดีงามอย่างนี้ซึ่งซึ่งข้อที่น่าน่าดีใจว่าเวลาเลนี้ยความคิดทางาศาสนาในเมืองไทยพิธีพิธีมอลิตกลางมอิสลามตึงผ่านมาไม่กี่วันนะ่ะ ตอนปกติที่เรารู้มาว่าขราวก่อนศาสนาหนึ่งในศาสนาอื่นนี่เข้าไปไม่ได้นะแต่นี่เข้าได้แล้วนะะพระก็เข้าไปแล้วก็จะเชิญก็จะเปิดประตูฟังพระก็เข้าไปได้ก็ถือว่ามีความคิดที่กวาคค้างไกลขึ้นแล้วก็ประชุมกันอะไรบ้างก่อนห้าสิบกว่าชาติสลามก็ประชุมกันคือความคิดก็กวา้างขึ้นเยอะนะความมายอมรับน้ำถือคนอื่น แล้วไม่ปฏิเสธความเชื่อของคนอื่นเมื่อก่อนก็ปฏิเสธความเชื่ อ, อคนอื่นซึ่งถือเป็นอันตรายนะแต่ยอ ม, มรับรับถือความเชื่อของการละกันเนี่ยนะมันก็จะเกิดแต่ Mid re, มิตรไมตรีเกิดแต่ Mid re, มิตรไมตรีมีความเข้าใจแล้วก็ไม่สศตรมาดูถูกดูหมิ่นกันมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่ใช่แปลกอะไร ก็ฟังก็บรรยายันก่อนก็ปรากฏว่ามูซาคือพระเยซูนี่ยฮะศาสนาภาษาอิสามเขาเรียกมูซาก็าถือเป็นศาสดาองค์หนึ่งองค์หนึ่งในศาสนาคริสต์เหมือนกันตั้งแต่โนทน์มาตั้งตั้งแต่อาดัมมาเลยนะฮะเป็นศาสดาอาดัมดาวิดอับราฮัมและอะไรมาเรื่อยมาพระก็ตั้มทาให้เปิดโลกทัศน์กว้างแต่ไม่เคยพบตํานานของคริสต์ว่าคริสตย์ยอมรับจุดนี้หรือเปล่ายังไม่เคยทำ อย่างงก็ตามคือสรุปว่าใจกว้างขึ้นเนี่ยนะฮะใจกว้างขึ้นแล้วก็มองเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นเพื่อนร่วมทวกเกิดแก่จะตายสูงขึ้นนะก็ทําให้อะไรๆจะง่ายขึ้นนี่ยนะฮเพราะว่าความคิดทางศาสนานี่จริงๆค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะยึดติดนะฮะยึดติดใน ในตัวความคิดความเห็นเหล่านั้นถ้าหากว่าปณี ป, น, ปนองกันได้ประสานประโยชน์กันได้คืออธิบายอธิบายให้เชื่อมต่อกันได้ถึงกันได้นะความเป็นมิตรสนิทส น, นมกันก็จะเพิ่มขึนแตกแยกร้วาวสารรุนแรงก็จะลดลงไปตัวนี้มันต้องใช้ความคิดต้องมองให้เห็นโดยไม่ไปยึดติดในสิ่งที่เรียกว่า เป็นรูปแบบแต่ว่ามองไปที่ตัวเนื้อหาตัวสาระถะตัวเหตุตัวผลของสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าธรรมะนั้นจะมีลักษณะเหมือนถนนธมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลนะจะมีลักษณะเหมือนถนนมันก็เดินไปสู่ความเสื่อมความเจริญก็แล้วแต่อกุศลก็เดินไปสู่ความเสื่อมกุศลก็เดินไปสู่ความเจริญมันเป็นเพียงทางนะฮะเป็นเพียงทาง เดินทางไหนก็ได้ก็ขอให้ถึงก็แล้วกันคือจะไม่ติดใจในเรื่องเรื่องรูปแบบอะไรเพราะฉะ น, นเรายิ่งคิดยิ่งเลื่อมใสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่มีพระรูปอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเป็นนักคิดธรรมะเก่งมากเลยบางทีท่านคิดรุ่งเลยนะฮะคิดธรรมะนี่รุ่งเลยมันไม่หลับนะธรรมะนี่แปลกเวลาคิดมันไม่หลับเลปตาสว่างโปร่งไปที่มันมันร่างกายไม่เล่นกับเรา ปราคิดธรรมะนอนไม่หลับแล้วรุ่งในเช้าก็เปรี้ยอะไรร่างกายไม่เล็ดกันแล อ, อันนี้ก็คือก็คือเวลาเรายิ่งคิดเรายิ่งเห็นความดีงามความถูกต้องสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์แล้วมองในแง่ของสมมุติว่าเราจะเอาพระธรรมเนี่ยนะครับพระธรรมมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันมากว่ามาแนวหนึ่งก็คือสวดสาทาย แนวหนึ่งก็คือการนำมาภาวนาใช้บทธรมมทธรมโอธรรมโออะไรเนี่ยฮะส่วนมากก็ใช้สองพยางนะฮะเพราะว่าถ้าหลายพยางเราก็หายใจไม่ทันใช้สองพยางธรรมโอพุโทโอธรรมโอสังโฆนะฮะก็สองพยางนะี่กันแล้วก็นำมาคิดถึงธรรมะมาคิดที่จะหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะ ถ้ามานั้นคิดโดยย่อมันก็ย่อได้นะคิดโดยพิสดารอย่างไงมันก็พิสดารได้มันเหมือนกับการเรามองต้นไม้เรามองจากปลายนียอ ะ, อะกิ่งก้านสาขาเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอเรามองจากโคนจีิจริงมันมาจากโคนเดียวต้นไม้ทั้งต้นนะฮะมาจากออลําต้นเพียนต้นเดียวเท่า น, นั้นเองแต่กิ่งก้านสาขาดอกผลเยอะแยะไปหมดเลย ธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นเนื้อธรมะจะมีอยู่สามกลุ่มเนี่ยที่บอกว่ามีกลุ่มที่เป็นกลางๆเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติกลุ่มที่เป็นความดีกลุ่มที่เป็นความชั่วเหมือนกับวิชาที่เราศึกษากันในปัจจุบันเพราะแบ่งจริงๆมันก็แบ่งเป็นสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แต่เราเข้าใจสาระถะของมันเนี่ยนะฮะสาระถะของมันไว้เนื้อหาจริงๆของวิทย์มันคืออะไร มันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นผิดผลของธรรมชาติแล้วเกิดขึ้นมีอยู่ดำรงอยู่ในเงื่อนไขของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ก่อนก่อนเราเกิดมานะฮะมามาพร้อมๆกันโลกกันแหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักคุณ ค, คุณโทษของมันเราก็ประสบภัยประสบอันตรายเพราะปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นเราไม่รู้ว่าผลจะตกหนักเราไม่ได้เตรียมอะไรรองรับไว้ วิชาการเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาศึกษาแนวอุตุนิยมวิทยาเราไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวเขาก็ศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวมันจริงยังไงนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะแนวตรงนี้ก็อยู่ที่เราเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาพัฒนาสิ่งนั้นผสมกับสิ่งนั้น ส, สิ่งนั้นผสมกับสิ่งนั้นออกมาเป็นสิ่งนั้นแต่แต่ละจุดเรียกว่าจบลงด้วยสิ่งนั้นมันก็แตกสลายไป แล้วก็เปลี่ยนสภาพแล้วก็หมุนเป็นวงกลมไม่จุดไ ม, ไ ม, ไม่มีจุดจบอดินน้ําลงไฟมาเกาะตัวไปยังไงหนึ่งเสร็จแล้วก็คืนกลับสภาพเป็นดินน้ําลงไฟต่อไปมันก็หมุนคล้ายๆกับหมุนตกแดดออกนั้นทั้งหมดเป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์จะแยกกี่สาขาก็ช่างแต่สรุปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดํารงอยู่เพราะเหตุปัจจัยแตกสลายไปเพราะเหตุปัจจัยแตกสลาย ตัวหนึ่งเป็นสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์นั้นเราจะเห็นว่าเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมมันมีอดีตมันมีปัจจุบันมันมีอนาคตตัวอดีตจะกลายเป็นบทเรียนตัวปัจจุบันนั้นจะเป็นตัวปรับเปลี่ยนเรใช้ประโยชน์จากอดีตซึ่งเราใช้อยู่สองแนวนะฮะแนวที่สร้างสารรค์พัฒนาเป็นหลักาดาเนินต่อไปในแนวที่เบียดเบียนล่างผานนะก็แนวที่งดเว้น และกำหนดทิศทางอนาคตซึ่งก็เป็นแน่เดียวกันกระแสะความคิดมันออกมาจากสองกระแสะคือกระแสะความคิดที่ดีกับไม่ดีนะฮะความคิดที่ดีกับไม่ดีในสมัยอดีตมันก็ออกมาจากดีและไม่ดีคนเคยติดคุกมาเพราะอะไรในอดีตปัจจุบันมันก็ติดคุกเพราะอย่างนั้นแหละคนประสบความเสือเส่อมเสียเพราะอะไรในอดีต ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอนาคตก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือสูตรตัวตัวเนื้อหาที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นความคิดนะเป็นความดีกับความไม่ดีสองอย่างนะเป็นความคิดที่ดีกับไม่ดีมันออกมาทําให้เราคิดอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นเราก็ทําอย่างนั้นซึ่งอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ก็ออกมาในสองแนว แนวสร้างสรรค์กับแนวพัฒนาไม่ว่าเศรษฐศาสตรส์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้วาดเยอะๆไปไม่มีอะไรฮะถ้าเราสาวกลับไปที่ความคิดแล้วก็คือเรื่องของความคิดวิชาในสายสังคมศาสตร์จึงเป็นวิชาที่จริงๆแล้วเนี่ยดูง่ายนะฮะดูง่ายอ่านนิดหน่อยก็จับทางได้แล้วไม่ต้องไปอ่านมันหมดเรเสียเวลาหรอกอ่านว่าไอเนื้อหาสาระมันอยู่ตรงไหนดูเฉพาะตัวเนือาาอเน้อหาสาระว่าเนื้อหาสาระนี่มันมาจากอะไร ในส่วนดีส่วนดีมันก็มาจากความรู้นะความรู้ที่ลดโรกกดห ล, ลงลงไปคนมีโลบน้อยกวดน้อยหลงน้อยมันก็มีการสร้างสรรพัฒนาในส่วนที่ไม่ดีมันก็เกิดไปจากอาวิชชาที่ออกมาในรูปองของความโรคความปวดความหลงอย่างรัฐศาสตร์ที่การบริหารบ้านเมืองมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะอาชยากรรมก็ลดน้อยถอยลงไป สาธารณูปโภคต่างๆก็ดีประชาชนก็ไม่เดือดร้อนมั่นใจในสวัสดิภาพของชีวิตของทรัพย์สินเราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากคนในสังคมมันโลภโกรธหลงน้อยลงอาจฉรกรรมต่างๆก็เป็นมันมันเกิดขึ้นจากโลภโกรธหลงทีนี้พอโลภโกรธหลงลดมันก็อาจฉริกรรมมันก็ลด ซึ่งในทรงนี้มันมันมันจะมีความประนีตละเอียดลึกซึ้งลงไปโดยลาดับไม่จะเป็นว่าใครจะต้องเห็นหรือไม่เห็นนะแต่เรารู้ว่าอันนี้มันควรหรือไม่ควรแล้วเราก็ทำก็เราเองเราปฏิบัติเองทำให้คนแต่ละคนนั้นมีวินัยในตัวเองหรือควบคุมตัวเองได้ต่ากคนควบคุมตัวเองได้นะ ไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีการล่วงละเมิดในสิทธิของกันรละกันทั้งคนทนําทหน้าที่พอทําหน้าที่ไอ้สิทธิที่ยิ่งไม่ต้องเรียกนะฮะมันต้องเรียกร้องมันเกิดของมันเองแต่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าคนไม่ทําหน้าที่แต่ว่าเรียกร้องสิทธินักร้องไปนี่เยอะเลยนักเรียกร้องทั้งหลายนี่นักร้อ ง, อ ร, อ ง, ร, องร้องกันจังแล้วก็ทําอะไร เ, เกินเหตุเกินผลไป อย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างกรณี เ, เกินปากมูนเนี่ยนะนะอเอ้ยว่าถ้ารัฐบาลยอมตามเรียกร้องที่ให้ค่าอะไรนะ่ะเสียเสียผลประโยชน์ก็คนสะองสามหมื่นเนี่ยบ้านเมืองจะไปไม่รอดนะะมันจะมีจ่ารีดใหม่เกิดขึ้นขุดท่อขุดถนนฝังท่อผ่านหน้าร้านอะไรมันเรียกร้องค่าที่ลูกค้าเข้าไปซื้อของไม่ได้ รัฐ ก, ก็ต้องเอาเงินภาษีของราษฎรมาให้ราษฎรแจกราษฎนอย่างนี้มันต้องทําอะไรหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้ว่าถ้าคุณเรียกร้องอย่างนั้นและอะไรเป็นหลักฐานอีกเดนมันคล้ายๆล้ายกับ ท, ท, ที่ที่ดินที่เราไปทําสูตเนี่ยนะนะตอนไปสืบคราแรกเนี่ยเขาไม่ยอมจา่ายค่าเช่าให้มาองกุฎหรอกเขาบอกเขาทํานาไม่ได้ทํานาไม่ได้ขอ พอลดค่าเช่ารถแล้มาเรื่อยจนจนไม่จ่ายนะฮะพอเราจะต้องการเปลี่ยนที่ดินมาทําศูนย์แกบอกแกทํานาได้ไร่ละไร่ละไร่ลักเกวียนน่ยโอ้โหมันมันดินดีเหลือ เ, เกินนะไร้ละเวียนไม่ใช่ง่ายนะไร้ละเกวียนเนี่ยอันนี้คือคือคือเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นอาการของกิเลสมันก็ออกมาในรูปของความรุนแรง ทำยังไงว่าเราจรึงจะลดกระแสตรงนี้ได้มันก็อยู่ที่การสอนให้รู้บาปุญคุณโทษนะรู้โทษของความชั่วรู้คุณของความดีแล้วก็มีเหตุมีผลในการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันนะครับคือไม่ใช่มองว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ดูแลรัษฎรมันที่จริงมีหน้าที่ทําหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ทําหน้าที่รัฐบาลก็ทําหน้าที่รัฐดานรัศดรก็ทําหน้าที่ของรัษฎรแล้วมันเกิดเป็นสิทธิขึ้นมาเอง สิทธิที่มันมาจากการที่เราทำหน้าที่เหมือนกับพระทำหน้าที่ของพระพระพุทธปฏิบัติแบบพระก็มีสิทธิที่จะบิณธบาติมีสิทธิที่จะรับทิโมนมีสิทธิที่จะรกเวทอะไรแต่มีอะไรในการแต่ต้องทำหน้าที่เสียก่อนไม่ใช่ว่าไม่บวชมาถึงก็บินธบาติไปเทศไปอเทศเนะี่ยคงไม่ว่าอะไรนะก็คงไม่ว่าอะไรแล้วเดีย๋ยวไเที่ยวบินธบาติไปใช้สิทธิของพระเนี่ยมันใช้ไม่ได้ เพราะว่าการจะได้สิทธิตรงนี้ต้องต้องต้องมาจากการทําหน้าที่ตรงนี้เราก็คิดจากตรงนี้คิดแล้วมันจะกลายเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในการดารงชีวิตในการอยู่ร่วมกันประสงค์นั้นที่จริงมันเป็นแบบจำลองเป็นแบบจำลองที่ต้องการจะพิสูจน์ทดสอบคำสอนพุทธเจ้านะ แล้วยำยาปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้สมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าพอบวชปับติดปุ๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นกลลกล้มหกลุกแล้วพระก็คือลูกของชาวบ้านนะนะพระคือลูกชาวบ้านปฏิบัติไปได้บ้างไม่ได้บ้างถูกบ้างผิดบ้างหกล้มหกลุกไปเรื่อยๆส่วเจ็ทีดีเจ็ดหนุนเรางกันไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง นะโดยจะเห็นว่าขนาดาศาสตราเราก็หกล้มหกลุกอยู่ตั้งหกปีขนาดเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาขนาดนั้นนะนะย่างใช้เวลาตั้งหกปีพระอานนท์ในยอดขนาดไหนใช้เวลาตั้งสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีเห็นไหมก็หกล้มหกลุกกันมาอย่างนี้แหละพระช น, นะยิ่งเละใหญ่เลยพระชนนะซึ่งติดตามาหลวงพ่อเจ้าบวชก็บรรลุพระผลเมื่อยุตั้งแปดสิบเอ็ดปี เห็นไหมฮะท่านก็เกะกะตีตัวรวนก็อยู่เรื่อยเลยตอนนีพระแต่มันมันมนถึงโอกาสหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปกันท่านได้อย่างกติของจีนเนี่ยเขามองว่าเมื่อวางดาวก็เป็นพระหันได้ในความว่าพร้อมที่จะมองด้วยความเข้าใจรอคอยอดทนใจเราก็จะไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดกุศลและที่สำคัญ ย, ยิ่งคือแยกได้ระหว่างเรากับท่านแยกในแง่ของกฎของกรรม หรือไม่ได้ใส่ใจเึงการกระทำชั่วของท่านท่านจะแก้ไขของท่านเองแต่เราทำพปร ะ, ปร ะ, ประท่านทำดีเราก็ชื่นชมกับท่านมันไม่ใช่ว่าพอท่านทำชั่วเราก็ไปกระทืบคื อ, อ ไ, มไม่ไม่ไม่เรื่องอะไรกับท่านล้มไปแล้วอ่ะทำไมต้องกระทืบทำไมนี่คือคือการคิดที่มีเหตุมีผลเป็นการเพิ่มภูนเหตุผลเป็นการเพิ่มภูนสติปัญญาขึ้น แล้วจนถึงจุดหนึ่งซึ่งถือว่าจุดที่สมบูรณ์จุดที่รับผิดชอบจริงๆนะครับหมายความว่าเป็นจุดที่พระธรรมรักษาคุ้มครองผู้พิถนธรรมจริงๆก็คือจุดที่เรานาเอาคุณเหล่านั้นนะมาเป็นหลักมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ได้นะฮะปฏิบัติตามอะไรก็ได้แล้วจะเชื่อมต่อกันเองเราอาจจะจับที่พระธรรม แต่การปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติถูกต้องตามประธรรมาคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมงควรปฏิบัติแล้วเป็นยังไงมันก็เพิ่มปัญญาขึ้นเพิ่มความบริสุทธิ์ขึ้นเพิ่มความเมตตากาุณะขึ้นก็ทําให้เราสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าธรรมะในแนวปฏิบัติจึงไม่มากนะฮะในแนวสวดนี่มากแนวสาธยายมากนะแนวสวดมากแนวสาธยายมากแนวศึกษามากเวลาปฏิบัติไม่มาก ปฏิวัติมันจะเกิดในลักษณะการปลูกพืชอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ว่าเหมือนกับปลูกพืชอ น, นิดเดียวเม็ดเดียวนะะกิ่งเดียวแล้วต่อไปมันก็แตกมันเองอะ่ะตั้งแต่โคนถึงปลายก็เป็นต้นไม้ชนิดนั้นแหละเป็นดอกเป็นใบเป็นผลของต้นไม้ชนิดนั้นธรรมะก็จะเป็นเป็นเช่นเดียวกัน สำหรับแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทางลายโดยตัว ก, กันทุกท่านคือ